ได้เจอข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งั้มว่าเมื่อใดที่เราไปเรียนรู้ความจริงของกายในกายมันมีความสหบระหับเกิดขึ้นแล้วในขณะที่เรารู้กายในกายตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเจ็บความปวดความเมื่อยแม้มีอยู่ก็จะเห็นว่าอํานาจมันน้อยนั่นนะ่ะเขาเรียกว่ากายยปัสสะ เราทําอย่างนี้ บ, บ่อยๆระลึกไปเช่นนี้ บ, บ่อยๆมันจะมีปัญญาคือความรู้จริงเห็นจริงเกิดตามขึ้นม า, าเราเป็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอย่างนี้เราเคยทําอย่างนี้สักกี่ครั้งในชีวิตของเราอันนี้ยังไม่ครบนะเนี่ยนี่แค่มาถึงอะไรมาถึงแค่เส้นเอ็นเท่านั้นเอง ได้เราไล่ไปอีกกระดูเยื่อในกระดู ม, ม้าหัวใจตาพังผืดไตปอดอย่างไดก็ไล่ไปเรื่อยๆสลับไปกลับมากลับไปกลับมาหรือหยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ไอ้นี้ให้วันนี้ให้เดินหลายหลายที่หน่อยสำหรับกายเล็กนี้เราจะถนัดตรงไหน เวลาเราจะภาวนานั่งรู้ลมหายใจเสร็จแล้วสังเกตว่าเมื่อเราเข้าไปพิจารณาเรื่องผมหรือเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันเรื่องหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ละอย่างเนี่ยสลหรับการรู้ลมหายใจมันจะเกิดการสะบบระฮับขึ้นแม้นว่าเรามีความรู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่จากจากทางจิตรู้ของเรา แต่อาการดิ้นรนมันมันน้อยลงมันมีความฉวบระงับลงนี่เรียกว่ากายยะคาตาสติส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะท่องเข้าไปในกายเราอยู่กับความไม่เป็นจริงเวลาเราคิดถึงกายของเราเนี่ยเ ร, เราอยู่กับความไม่จริง เราก็อยู่กับความไม่จริงจริงๆเราอยู่กับผมที่พยายามที่จะให้มันสวยเราอยู่กับเล็บที่จะให้มันสวยเราอยู่กับผิวที่จะให้มันสวยเราอยู่กับควันที่ให้มันสวยอะไรเงี้ยความจริงเหล่านี้มันไม่มีไม่เกิดงั้นท่านสังเกตดูว่า ผมของเราเป็นอย่างไรผมของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นขนของเราเป็นอย่างไรขนของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นจะปล่วยก่าวไปใหญ่ถึงผมขนเล็บหนังของคนอื่นแค่เส้นผมเส้นขนของตนเองเนี่ยเมื่อมันตกลงในภาชนะที่จะดื่มหรือบริโภคเราเห็นข้าวเราก็ยังจะดื่มไม่ลงแล้วเพราะอะไร เพราะธาแท้มันรังเกียจในความสกรปรกเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสกรปรกปฏิกูลอยู่ตามธรรมเป็นจริงนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ความพิจารณาแบบนี้เราก็ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เขาประดับประดาตกแต่งงดงามมันก็ถ้าพาให้จิตของเราเนี่เกิดความลุ่มลหลงไหลไปเรื่อยแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ยังคงเป็นสิ่งสกรปกสกรกโสโครกปฏิกูลอยู่ตามธรรมดาของเขานั่นเอง ไม่แปลเปลี่ยนไปตามความหลงผิดของใครไม่เออแต่มันจะประจักรู้เมื่อพิจณาอย่างนี้แหละจิตจะรู้ตามความเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่ออย่างนี้แหละและเมื่อรู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตก็จะเบื่อหน่ายและคลายความกำหนัดออกมาเรียกว่าคลายอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นออกมา เคียดเๆระเคียดเขียดไม่ใช่เคียดหรอกมันเป็นอะไรรู้ไหมนี่คือองค์ธรรมอันหนึ่งที่ชื่อว่าอุเบคาละ่ะรู้ปะละ่ล่ะเมื่อพิจารณากายอย่างต่อเนื่องมันจะตกผลึกในจิตมีอุเบคาที่เรียกว่าสมาธิใกล้กับความตั้งมั่น จิตที่เป็นดูเบขาต่ความสมั่นตัวนี้สามารถที่จะนำไปใช้พิจรารณาในการคิดต่างๆตามความเป็นจริงเป็นประโยชน์มากแต่สักแป๊บเดียวเดี๋ยวพอเราเลิกเราเดินออกไปมันก็หายหมดแหละเพราะว่ามันไปใช้การอย่างอื่นนะโดยเฉพาะจับหน้าจอโทรศัพท์รูดสองสามทีเฮียจ้เขาเรียกว่าโลกมันกลืนหมด เนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องคิดบ่อยๆต้องปฏิบัติบ่อยๆวันการเจริญวิธีการอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเราโยมลองคิดดูว่าเมื่อใดที่เราท่องไปในกายอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเยๆรอๆอยๆ่ๆๆเยๆอยๆ่อย่ยยเรื่ยๆเรือยๆ่รยๆเรอยๆ่อยื่อ่อเรื่อยอย่อย่่อเื่อเอย่อ่่อยๆเือยๆเรื่่ออ ทำอย่างเงี้ยเ็ดปีทาต่อเนื่องไปทําให้ถูกทําให้มากทําให้บ่อยๆอย่างเงี้ยเจดปีอย่างช้าจบถ้าเร็วกว่านั้นก็เจ็ดเดือนเร็วกว่านั้นก็เจ็ดอาทิตย์เร็วกว่านั้นก็เจ็ดวันเร็วกว่านั้นก็เจ็ดชั่วโมงเร็วกว่านั้นก็เจดนาทีแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก ในจิตของเรานี่ก็เราทำแคปเดียวนี้เองยังไม่ครบนะครับยังอยู่ในระบบของการชี้นำอยู่ครั้นพอเราเชี่ยวชาญเราชำนาญเราไปทำเองได้เนี่ยเราเดินจิตอย่างนี้ได้เองเนี่ยคิดดูสิถ้ามันต่อเนื่องนานๆมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนจิตจะใสขนาดไหนปัญญาจะขนาดไหนความตื่นตัวของจิตจะเป็นอย่างไรสติจะแข็งแรงขนาดไหนสมาธิจะตั้งมั่นยังไง เปลี่ยนแปลงมากก่อนเข้าวิสาขาบูชาเคยมีคำถามไหมทางนี้มีไหมคือสงสัยเวลาที่จะต้องพิจารณาผมคนเล็บปันหนังค่ะคือให้นึกถึงผมคนเล็บปันหนังแล้วแล้วยังไงต่อคือคือยมไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเข้าใจอะเมื่อกี้<า>กไม่ทันใช่ไหมไม่ไม่ทันเจ้าค่ะ คือแค่ให้คิดถึงตามความเป็นจริงว่าผมของเรามีความเป็นจริงอย่างไรความเป็นจริงของเขาถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเรานึกถึงผมของเราแล้วเนี่ยถ้าแล้วถ้ามันเกิดว่ามันสวยงามมันน่ารักใคร่น่าพอใจเนี่ยมันผิดมันเป็นอารมณ์ที่จะเข้ากันไม่ได้กับรู้ที่รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าเข้าใจไหม เพราะการที่พอพิจารณาผมของตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันสวยมันงามเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความกำหนัดเป็นที่ตั้งของราคะมันจะไม่เอื้อต่อทำดังนั้นเราจึงพิจารณาตามความเป็นจริงโดยสีจะไม่สีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่ ใช้ห้าข้อนี้มาเป็นหลักการพิจารณาสีว่าสีผมของเรามีสีเป็นอย่างไรดูสิตามความเป็นจริงเลยสันฐานคือรูปร่างเป็นแบบไห น, นกลิ่นเป็นอย่างไร ก็ผมของเรานี่กลิ่นเป็นอย่างไรที่เกิดเกิดอยู่ในที่ไหนที่อยู่เขาอยู่อย่างไรเมื่อพิจารณาโดยห้าอย่างนี้ก็จะรู้ตามความเป็นจริงของผมนั้นว่ามันไม่สวยไม่งามไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจเลย เป็นสิ่งที่สกรปรกโศโครกหมกตูชุ่มแช่อยู่กับสิ่งสกรปกโสโรกโศโครกเกิดมาจากน้ําเหลืองน้ําเลือดมันยิ่งพอยิ่งพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วจิตมันจะคลายตัวออกมานี่ส่วนที่เป็นผม uh huh. ครั้นเราแยกเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้ผมขนเด็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดพิจารณาไปเรื่อยเรื่รก็คือร่างกายของเรานี่เองแยกออกเป็นชิ้นเป็นธาตุเป็นธาตุเป็นท่วนท่วนท น, ท น, ท น, ทนเมื่อมันคลายออกจากภายในได้ ในที่สุดความเป็นกายอย่างเงี้ยมันก็จะคลายออกมาพิจารณาบ่อยๆมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายทำไมจึงต้องให้อยู่กับลมหายใจเพราะให้ถือลมหายใจเป็นกายใหญ่เป็นเป็นหลักสำหรับให้ผูกจิตไว้ให้มั่นด้วยสติไว้แล้วก็ท่องไปในกายเล็กๆเนี่ย ท่องไปชําแหลมันไปเรื่อยๆเๆๆจนเห็นความจริงทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยจิตมันก็จะเบื่อหน่ายมันก็จะคลายตัวออกมาไอ้ น, นี่มันเป็นเบื้องต้นนะสิ่งที่จะเกิดออกมาอีกเยอะแยะมากมายในเส้นทางการปฏิบัติสิ่งที่ถามนี้มันคือสิ่งที่จะเกิดมาในอนาคตเราก็คาดว่าจะได้อะไร มันจิตที่รู้และใครครวรไปตามส่วนต่างๆของกายเนี่ยเป็นสตินี่การพิจาจรณาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเป็นโยนิโสมนานทิการมันเป็นเรื่องราวของสติกับปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นสมาธิ ลองพิจารณาดูจับจุดใดจุดหนึ่งถ้าเส้นผมแล้วไม่ถนัดเอาดูเล็บก็ได้เล็บไม่ถนัดก็หนังหนังนี่ถนัดแน่ที่คนมันลุ่มหลงกันในความเป็นเราหลงตัวเองเพราะมีความสำคัญคาดหมายว่ามีความเป็นตัวเป็นตนพอหลงแล้ว ตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองแน่ตัวเองเท่ตัวเองหล่อตัวเองรักตัวเองสวยตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้ตัวเองอย่างโน้นกานเรามาพิจารณาแยกความเป็นตัวอารเนี่ยในส่วนที่เป็นกายเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงเราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นและถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าปัญญาความรู้จริงเห็นจริงมันก็จะเกิด มันก็จะเกิดร่างกายของเรามันจึงเป็นเหมือนกับรถเครื่องทับสัมภาระที่พระเจ้าว่าอย่าท่าปิหังคสัมภาระเปลียนเหมือนเครื่องทัพสัมภาระเครื่องรถเข้าได้ทับสัมภาระคือรถคันหนึ่งเนี่ยที่มันประกอบขึ้นมาเนี่ยที่เราเรียกว่ารถรถรถรถราคาแพงแพงอะ ถ้าเราถอดยอแยกย่อยออกไปแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิน้นจะกองไว้ถามว่านี่คืออะไรไม่มีใครมาบอกว่ารถหรอกถูกปะล้อมาตั้งไว้ตรงนี้พูมอะไรตั้งตรงโน้นกระโปรงหน้าตั้งตรงนั้นกระโปรงหลังตั้งตรงนี้หลังคาตั้งตรงโนนข้างล่างขอไว้ตรงนี้ตรงนั้นไปเชียร์นี่อะไรเนี่ยออพวงมาลยัยตรงนี้อะไรเนี่ยกระโปรงรถนี่อะไรล้อนี่อะไรไม่มีคําว่ารถจะหายไป วิญาวะยะธ า, า อ, อังกสัมปราเหมือนเครื่องทับปะสัมภาระเครื่องรถเข้าได้โหติสัตโดระโถอิติเสียงเรียกว่ารถก็มีขึ้นเอวังขันเทสุสันเตสุเมื่อขันห้ายังมีอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยขันหา ย, ย่างที่พวกเราเราทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยยังมีอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกันโหติสัตโตติสัมมติการสมมุติว่าสัตว์ก็มีได้ ก็มีขึ้นได้เนี่ยลุงแว่นคุณหม อ, อหมก็สมมุติเราเป็นรายชาติเนี่ยจำไม่มาดใช่ป่ะจะไม่มาด อ, อ, อันนี้อะไรเนี่ยตินวานวลานี่ก็สมมุติเรียกตรงนั้นนะเพราะว่าอะไเอวังขั้นเตทสุสั้นเตสุเมื่อขันห้ายังนำเดินเป็นไปอยู่ก็สมมุติเรียกกันไปสมมุติยังไงก็ได้แต่จริงแล้วมันไม่มี เพราะเมื่อแยกออกมาเป็นธาตุแล้วเนี่ยเอผมไปตั้งกองหนึ่งคนไ่ตั้งกองหนึ่ ง, ง, อ ง, งเอาธาตุดินแยกทานไปไว้กองหนึ่งธาตุน้ำไปไว้กองหนึ่งแค่นี้สองกองพอหมดแล้วความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหมดแล้วอืมแต่เราเข้าไม่ถึงความจริงส่วนนั้นเพราะโบหะบรรหุมหอเราอยู่ไงแต่เรามีพระพุทธเจ้าให้ให้คำสอนไว เ้าไป ม, มันหลอกเราได้มาครึ่งชีวิตเท่านั้นแหละถูกปะ่ะต่อไปมันหลอกได้ไหมหลอกต่อฮะ <c oughs> ห, หลอกต่อป่ะท่านเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงในสภาพที่เป็นนายมคิดดูี่เป็นธาตุเนี้ยอย่างพิจารณาโดยความเป็นธาตุธาตุหกก็ได้ธาตุสี่ก็ได้ นี่พวกฝากพวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าจะไม่ศึกษาแล้วเมื่อก่อนนะพระที่มาบวชเขาไม่ได้เรียนอะไรกันหรอกเขาเรียนกัน5ข้อเท่านั้นอุปชาสอนน่ะเกสาโลมานขาดันตาตาโจนี่ว่าโดยอนุโลมคือว่าไปตามลําดับแล้วถอยกลับเข้ามาเป็นปฏิโลมว่าตาโจดันตานขาโลมาเกสาเรียนเท่านี้ ผเกษารโลมานักขาดันตาตาโจตาโจดันตานักขาโลมาเกษาเท่านี้แหละนี่เป็นยอดธรรมท่องใหาจำเท่านี้แต่ปริยัตท่องงห้ขึ้นใจถ้าเมื่อใดก็ตามแค่ท่องไปต่ำแค่ท่องคาใดคาหนึ่งบริกรรมไปเรื่อยเช่นว่าเกสาเกษาเกษาเกษาเกาเกษาเกาจิตไม่วอกแวกนิ่งอยู่กับเกษานั้นได้ก็เป็นสมาธิ การเอาเกสานั้นแหละมาพิจารณาว่าผมเป็นอย่างไรมีสีเป็นอย่างไรสันถานเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นอย่างไรที่เกิดที่อยู่เป็นอย่างไรให้พิจารณาไปตามความเป็นจริงจิตเกิดการเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดได้นี่เป็นเริ่มเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วพิจารณาผมขนเล็บกวนหนังอันนั้นแหละสมัยก่อนนะเขาเรียกตะจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้า เนี่ยพระเมื่อก่อนก็เรียนกันเท่านี้เดี๋ยวนี้เรียนกันไม่รู้ไม่รู้เรียนกันเท่าไหร่แต่มันได้แต่ความรู้ส่วนเหตุมันไม่มีความรู้ในส่วนผลพอเรามาอย่างนี้ในขณะที่พวกท่านทั้งหลายนั่งภาวนากันอยู่เมื่อตะกี้นี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้ในการปฏิบัติการ ไอ้ความรู้ความจําทั้งหลายที่พวกเรามีเขาเรียกว่าความรู้ในส่วนเหตุแต่เมื่อกี้นี่เรียกว่าความรู้ในส่วนของการปฏิบัติการสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้นี้เขาเรียกว่าความรู้ในส่วนผลท่นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการรู้รำต้องรู้สามชั้นเรียกว่าปริยัติอะไรอีกปฏิบัติแล ะ, ล it, ะ, ะอะไรปฏิเวร่วมมือมั่งปริยัติ ปฏิบัติปฏิเวทต้องรู้สามชั้นอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้ธรรมแล้วทำามไม่ได้มานั่งทมอย่างเงี้ยมันจะรู้ไหมไอ้ชั้นปฏิบัติมันไม่รู้มันแค่คิดอย่างเดียวก็คิดอย่างเดียวเสร็จก็ยมดูคนที่เขาจับได้อะไรต่างๆที่เป็นขงเป็นข่าวนี่โอ้โหความรู้เป็นไงฮะโอเยุ่ยะ แต่ความรู้ที่ไม่ถึงขั้นการรู้ธรรมไม่สามารถป้องกันอกุศลได้ไม่สามารถป้องกันอกุศลไ ด, ไาาได้เมื่อการกระทบขึ้นมาอากุศลระวิตกเกิดขึ้นที่จิตเมื่อเช้าที่พูดถึงการเปลืองอกุศลออกจากจิตมันไม่ให้เนีย แค่ว่าเราจะทําให้อกุศล น, นั้นหายออกไปจา ก, กจิตของเราเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลอกุศลให้โทษให้ภัยต่อชีวิตของเราต่อจิตของเราเราจะเปลืองมันออกไปแค่รู้อย่างนี้ไม่ง่ายแล้วเพราะอากุศลเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเลยมันครอบงําเลยมันครอบงําจิตเราและมีอํานาจต่อการขับเคลื่อนเราในโลกใบนี้แล้วก็เกิดมาเป็นอกูสุนลกรรมเลยทีนี้ ก็กลายมาเป็นอุปธิมาผูกทับเราซ้อนกัไปอีกทีนึงแล้วก็สะสมไปเรื่อยทิศทางชีวิตของเราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเป็นไปตามอุปธิคือกรรมนั่นแหละที่จะจาแนกเราให้เป็นไปตามเส้นทางที่มันสะสมมาเรื่อยๆแต่เป็นเด็กเกิดมาอย่างท้อแม่มันทำชั่วอะไรเป็นถูกไหมมันทำอะไรเป็นออ พอโตขึ้นมาหน่อยพอเริ่มรู้เียงสามันก็เริ่มแย่งของพี่แย่งของน้อง <c oughs> ข้าบวยของพ่อของแม่ขบวยของเพื่นของเพนก็เริ่มไปเสสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยไม่ได้รับการดูแลไม่ได้ประการ อ, อบรมไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการปลูกฝังมันก็ฝึกไปเรื่อยๆไอคนที่มันมาเป็นโจรดังไปทั่วโลกอ่ะอยู่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเลอมันไม่เป็น มันค่อยๆสะสมมาในเส้นทางเนี้ยนั่นน่ะเรียกว่าอุปธิมันผูกพันมันเหมือนกับความมืดที่ล้อมตัวไว้พวกนี้ยากโอกาสที่จะหลุดรอดออกมาเว้นไว้แต่ประสบกับเคราะห์กรรมขนาดหนักเช่นเกิดอุบัติเหตุนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วมีความทุกข์ซ้ำเล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำเล่าห เ, เกิดขึ้นมาและชีวิตเริ่มลังเลกับ กับความเป็นชีวิตของตัวเองและในระหว่างนั้นมีบุญวาสนาได้โอกาสเจอเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีใ ด, ว, ว, ด ว, วิธีหนึ่งที่ถูกต้องเขาก็สามารถที่จะพลิกชีวิตขึ้นมาได้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยยากหรือแค่โอกาสที่จะได้ความเป็นอย่างนั้นนะยากนะยากนี่เรากัน น, นี้มาก็ฟรี ยินก อ, อกวีค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องเสียทุกอย่างสบายดูดี่มีใหม่กี่คนป้ายขาวหนึ่งสองเนี่ยมีอยู่เท่านี้สามสี่ห้าห้าคนป้ายขาวป้ายขาวคือคนใหม่นะเออ แล้วไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะที่อื่นๆ pues นก็เหมือนกันมันจะมีเนี ungs, ่ยเพราะว่นี่เฉพาะไอ้คนไหนๆไอ้คนนั้นสักมามาสี่สิบครั้งของแกสักสามเก้าอะไรมั้งเนี่ยคนที่สองเนี่ยที่เอนี้ตัวนี้สามแปดสามเก้าแล้วมึงนี่ก็ยี่สิบแล้วยังเกินเนอะ พวกนี้ทำชั่วไม่ได้แล้วทำทำไม่รอดแล้วนี่ตั้งแต่มากางไรกไม่เคยขาดขาดแค่ครั้งเดียวเลยเนี่ยไม่เคยขาดเลยเนี่ยคนเนี้ยแต่ว่ามาเริ่มมาครั้งที่เท่าไหร่นี่นี่ก็โชคดีหน่อยว่าลูกลูกพามาเนี่ยดีได้ลูกเป็นอภิชา ต, ตบุตร เนี่ยคามกตัญญูเนี่ยลูกที่จะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ได้สูงสุดคือนำพ่อแม่เข้าใกล้ชิดพระรัตนตรัยเข้าหาพระพุทธเจ้านี่คือความกตัญญูชั้นสูงสุดแล้วจะแบกพ่อแบกแม่ไปจนกระทั่งตัวเองตายตามจะเอาพ่อนั่งบนบาจนุจาระปัทวะของพ่อราดรถทั่วตัวอยู่เป็นปีเป็นชาติยังไม่ดี เท่ากับพาพ่อพาแม่ของตัวเองเข้าใกล้ชิดพระรัตนตรยัยเพราะอะไรเพราะการที่พาพ่อแม่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยนั้นทําให้ท่านได้ตั้งแต่สุขติจนถึงอริยมรรยาผลปิดอบายภูมินี่คือความกตัญญูที่แท้จริงอันนี้ก็สมควรสาธุนะเนี่ย ส, <า>สมควรจริงจรินะเนี่ยหายากนะ เด็กสาวๆที่จะพาพ่อมาไม่เข้ามานั่งปฏิบัติแล้วแล้วได้ผลพ่อไม่เคยขาดเลยเขาเลยมาออนี่จึงตับกันนะบางทีเราเป็นพ่อเป็นแม่อยากพาลูกมาชวนเท่าไหร่มันก็ไม่มาใช่ไหม <c oughs> เออถึงจะได้ผลเนี่ยควรอนุโมทนาฮ <c oughs> <c oughs> ยากเย็นแสนเข็นจริง แล้วลองมาพิจารณานะโยมนะว่าความเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ตายเราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยในที่ถดเราอยากได้ความเป็นแบบนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราอยู่ไปเนี่ยจะมาเปรียบระเบิดเลยร่างกายเราเหมือนกับแก้วทรงกลมที่บิดตัวเองตลอดเวลามีแต่ความตึงความเกริงความปรีความร้าวและความแตก ตอนนี้เรามีเรื่องเยอะแยะแต่ว่าพอเราอยู่นานไปนานไปนานไปเรื่องทั้งหลายแหละมันจะน้อยลงไปมันมาหาเราอย่างเดียวคือทุกทุกที่เกิดจากความแก่ทุก์ที่เกิดความเจ็บเพราะอะไรเพราะเรี่ยวแรงเราลดลงไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้เรานั่งยังมีปัญหาแล้วนั่งท่าเดียวนี่ยังมีปัญหาแล้วอีกหน่อยหนึ่งเรานั่งไม่ได้อะ ตอนี้ยังเดินได้ใช่ไหมสองเท้าเดินได้เดินได้เดินได้อีกหน่อยเราจะเดินอย่างนี้ไม่ได้เราต้องใช้ไม่เท้าอีกน่อยนี่ไหนใช้ไม่เท้ายกมือเนีเนี่ยเห็นไหมนี่ยังดีนะช้าหน่อยแต่ก็ยังทันอยู่อีกหน่อยต้องใช้ไม่เท้าพระไม่เท้าไม่พอเลยทีนี้ต้องใช้ไอ้สีขานั่นอะทีนี้สีขาก็ใช้ไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นอย่างเดียวนั่งรถเข็นต่อไปก็นั่งไม่ได้ต้ออยู่เตียงอย่างเดียวก็เรียกว่าติดเตียง เดี๋ยวนี้จะมีคำคำพูดสมัยใหม่ที่พูดแล้วเข้าใจทั่วกันหมดเลยคือว่าติดเตียงกคได้ยินกันทุกคนย่มันจะพูดกันบ่อยๆเลยโดยเฉพาะหมอเนี่จะเข้าใจพอติดเตียงนี่รู้เลยเสร็จไม่เวียดนามก็การเม้นอะไรอะไรรู้ไหมฮเพราะเพราะมันมีไอ้คนในบ้านไม่มีใครมาติดเตียงด้วยต้องไปจ้างคนอื่นมาติดเตียงไว้ คนที่บ้านไม่มีใครมาติดมาจากศูนย์น่ะเนี่ยมันลดไปเรื่อยๆแล้วก็พอพอติดเตียงแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ในลักษณะนั่งได้บ้างมีเรี่ยวแรงหน่อยแล้วมันจะหายไปด้วยหายไปด้วยหายไปนี่ไม่หายไปตามปกตินะมันจะเจ็บปวดทรมานแล้วความเจ็บปวดทรมานนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจิต เราก็จะเกิดความถูกบีบคั้นเดือดพล่านฟุ้งซ่านทรมานถึงตอนนั้นน่ะเราจะหาอะไรใครมาแนะนำอะไรเราก็เอาแล้วแล้วถ้าโชคดีเจอพระเขาค่อยยังชั่วหน่อยนะแล้วถ้าไม่เจอพระจะทำไงหาข้าวทรงมาไปปล่อยเตาเพราะว่า ไปเจออย่างอื่นหาอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระพูทเเจ้าจะบอกให้เราห่างออกจากความจริงและจะเพิ่มแต่ความหลงให้กับเราอายุเก9 3สองเกสบสาแล้วอยู่ติดเตียงแล้วเดินไปไหนไม่ได้แล้วโอ้ยด้วยอำนาจของพระผู้พระคุณเจ้าเทพยาดาทั้งหลายขอให้หายวันหายคืนเถอ ขอให้แขกแรงให้ลูกขึ้นมานั่งมาเดินได้กินอะไรได้เหมือนเดิมเธอมันยิ่งทาให้เขาไปไงหลงผิดเข้าไปเรื่อยๆอแต่พระพุทธเจ้าไม่นนะ่ะพระเจ้ายิ่งตรงๆเลยชราธรรมโบมิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรังอนติโตล่วงความเป็นแก่อย่างนี้ไปไม่ได้พอป่วยอยู่พยาธิธรรมโบมิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพยาธิอนติโตล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้เด Hmm. ต่อให้กำลังจะตายพระเจ้ายัางบอกมรณะทำโบมีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณะกันนะที่ตกล่วงความตายไปไม่ได้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนให้เรารู้ความจริงรักความจริงอยู่กับความจริงแล้วก็ปล่อยวางมันจึงจะเป็นความสุขแต่อย่างอื่นมันไม่ใช่มันรังแต่จะให้เราหลงผิดเข้าไปเรื่อยๆห่างจากความเป็นจริงไปเรื่อยๆตกลงทำยังไง คุณหมอท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งตรวจร่างกายทุกออกเดือนตรวจหมดเรียกว่าอัตราเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งนี่น้อยมากแต่จูๆ่ๆไอ้มะเร็งนี้มันมันมากับความอัศจรรย์นในตัวมันนะมันมาจับอยู่ตรงใต้ผิวหนังเกี่ยวกับกระโหลกศรีษตรษะตรงนี้ตรวดไม่เจอมาเจออีกทีขั้นสี่แล้ว ถึงเราจะมาไปถึงหลวงพ่อไม่รู้โยมทําเวรทํากรรมอะไรไว้หลวงพ่อช่วยช่วยโยมให้หายพ้นไปจากตรงนี้สักทีเถอะมันขั้นสีแล้ว่บอกโยมเลิกคุยเรื่องเวรกรรมได้ไหมเวรกรรมมันควรจะคุยกันตอนไหนมันควรจะคุยกันตอนที่เราเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ๆนั่น ระวังอย่าไปทำกรรมชั่วให้ทำแต่กรรมดีประคองชีวิตตัวเองให้มันอยู่บนสุดจริตไว้เพื่อให้เส้นทางชีวิตของตัวเองได้สวยงามแนะเวนกรรมควรจะคุยกันตรงนั้นแต่มาถึงตอนนี้ไม่คว ร, ลรแล้วเอ้าหลวงพ่อเราจะคุยกันเรื่องเลยความจริงที่โยมใช่ไหมความจริงสิเออความจริงอยู่กับความจริงรั บ, รบความจริงให้ได้ แล้วก็จะสงบ ม, มันก็เลยได้พลิกกลับมาณนะโอกาสที่ได้เจ อ, อไปดูดาราคนหนึ่งที่มานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลมากี่คนที่ผลัดเปลี่ยนข้าไปบางคน น, นุ่นโหนไปเป็นหัวพญานาคมาให้บางค น, เ ป, น, ง น, นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี่มาทาพิธีกันไร้รำ่ำโอ้บนบานศารกล่าวกันนุ่นนอ น, น, อนสุดท้ายแล้วเป็นไง ไม่มีหรอกความว่าอัศจรรย์ในส่วนที่เป็นบุคคลไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าได้จำไว้เถอะเรานี่โชคดีที่สุดเลยดีใจไว้เถอะ